จะพงพังแรงกลางทองแดงเป็นคนแรงแรงไม่ได้นุ่มนวลเลี้ยงไก่ทงแบบตัดยางบนควรคงไม่คู่ควรพูดดีอย่างเธอ ก็เป็นพันนี้มาแต่รุ่นปู่ภายนอกอาดูบาบเลือเลแต่ความจริงใจฉันอันเบอร์บ้านบ้านเซอเซอแต่ว่ารักจริงก็คอยนอกแลสักที บอกเลยว่าจะไม่ทิ้งรักเธอจริงๆจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจลองมารักกับเดกใต้ลองแลสักทีรับรองคนดีน้องจะติดใจจะสอนเธอท่องแบบ อัดอยางเลี้ยงไกอยู่เป็นแบบง่ายๆอยู่ใบนนองสาวจะไม่มีวันทิ้งใน้นองเสียใจไม่มีวันร้องไห้เพราะเชื่อใจพี่บ่าวจะไม่มีวันปวดร้าวนอกจากพี่จับน้องไช้หนาก็เป็นพันนี้มาแต่รุน่นปู ในอกอดูบ้าบ้าเบื่อเบบแตความจริงใจฉันอันเบอรเอบานบานเสิเสอแต่ว่ารักจริงก็คอยนลองแล้วสักทีบอกเลยว่าจะไม่ทิ้งรักเธอจริงๆ จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจลองมารักกับด็กไต้ลองแลสักทีรับรองคนดีน้องเธอติดใจจะสอนเธอท่องแบบตัดย่างเลี้ยงไกอยู่เป็นแบบงในยง่ายอยู่บ่ายน้องสาวจะไม่มีวันทิ้งให้น้องเสียใจไม่มีวันร้องไห้เพราะเชื่อใจพี่บ่าวจะไม่มีวันพูดรัก จากปีจับน้องไทยนาะ ลองมารักเด็กใต้ลองแลสักทีรับรองคนดีน้องจะติดใจจะสอนเธอทงแปบบดอัดยางเลี้ยงไก่อยู่เป็นแบบ ง, ง่ายง่ายอยู่บายน้องสาวจะไม่มีวันทิ้งนี่น้องเสียใจไม่มีวันร้องเห้เพราะเชื่อใจพี่เป้าจะไม่มีวันปูดรา้านอกจากพี่จับน้องไชนะ้นล้